เรามาอธิบายที่ยามคุกแก่ตัวสัมผัสคำว่าจักรนาท่าจะเทียบทางดงง้านวัตถุก็เหมือนน้ำที่กระอักจิใตใจของเราเหมือนวัตถุเช่นอย่างหนึ่นนงที่ใช้สอยอยู่เป็นประจำ และต้องในรับความกระทบความเดือดรอนความ ป, ป, ปมวดรบกวนแต่การจราะล้างหรือทำละละ้างซักก็ ม, มีเสมอไม่เป็นนั่นก็ไม่ควรแต่การใช้ปอยต่อไปนะได้ธิกใจเป็นสิ่งที่ต้องทำงานอยู่ทั้งวันทั้งคือ ก่อนอื่นก็ต้องเป็นงานคิดขึ้นมาจากจิตก่อนคลายวายจาที่จะระบายออกจิตจริงเป็นสถานที่สำคัญหรือเป็นสิ่งสำคัญในตัวคนและสะัตว์การคิดการปรุงอยู่สเสมอโดยไม่ได้คำนึงถึงความผิดถูกทั่วดีของ ความคิดความปรุงของใจนั้นส่วนมากก็เป็นภัยแต่ตนเองนอกจากนั้นก็เป็นภัยแต่ผู้อื่นได้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันธรรมศาสน า, าหรือว่าศาสนาธรรมจึงเป็นเหมือนน้ำที่สาสำหรับซับคพอบสิ่งที่ศกก็ปลุกรบปรุงรังทั้งหลายให้กลก็จากความสงบสงบ ถ้าเป็นผ้าก็วควรจัดการนุน่งห่มใช้สอยได้ถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ประอาดสถ า, านที่อยู่อาศัยเมื่อได้รับการซักเก็บวิธีชำัะล้างอยู่เสมออเป็นสิ่งที่สะอาดน่าอยู่น่าใช้น่าสอยใ่จิตใจ้องเราเมื่อได้รับการซักเก็บการอบรมในทางที่ถูกที่ดีอยู่เสมอ ยอมเป็นจิตใจที่ของสายเป็นจิตใจที่สะอาดเป็นจิตใจที่สงบเย็นเป็นจิตใจที่ควรแก่ความสุขความจเจริญเป็นจิตใจที่ควรแก่ศาสนธรรมทั้งหลายอย่างยิ่งเพราะสิ่งในโลกไม่มีอันใดที่จะเป็นพายนะที่สมควรอย่างยิ่งสำหรับธรรมทั้งหลายเหมือนใจ กลายเป็นภาณนะพิยดเยี่ยมสำหรับรักธรรมทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นสาสดาของโลกก็คุมบังเทนพระธรรมด้วยพระไทยเอ็นไมตตระสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาธรรมขอสะอาดพระไทยข็อสะอาดกระเสียจากบนถิ่นเมื่อนำธรรมมาสั่งสอนโลก โดยไม่ยิยมมาชาติชั้นวรนหนใดผู้มีความรู้สึกดีทั่วมีความหวังความสุขความเตรอนดีด้วยกันทำย่อมเป็นสิ่งที่ทควรแก่ความรู้สึกเท่า น, นั้นเมื่อเมือไปหปเนเพราะฉะนั้นศาสนาจึงไม่เป็นภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแก่ชาติชั้นวรนหน้าใดเป็นเดียวกับน้ำพุสาเป็นที่สาบด่นใช้สอยได้ ท่นมันละไปแต่ศาสนาเมื่อออกมาจากท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆสำหรับเบื้องต้นก็เป็นศาสนาที่สะอาดปราศจากมูลถิ่นเยกว่ามือแรกสะอาดมือที่สองค่อยเริ่มจะมีมูลถิ่นแต่มือที่สองเช่นเดียวเช่นพระสาวบกแล้วก็เป็นมือที่สะอาด คือพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเทียบเป็นวัตถุก็เป็นมือที่หนึ่งเพื่อได้แต่สรู้ธรรมของจริงขึ้นมาล้วนๆเป็นมือที่สะอาดมือที่สองคือพระสาวกพระรหรัสรหันทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้บรรลุมรรคผลมิตรานถึงความบริสุทธิ์เป็นพระรหัตขึ้นมาในโลก กลายเป็นแสนำข้าฉานีของพวกเราก็เป็นมือที่สะอาดพระพุทธเจ้าพระธรรมแลาพระสงฆ์สาวกท่านเป็นมือที่สะอาดที่ได้แต่ใจสะอาดธรรมสาดบริสุทธิ์ล้วนๆพอจากนั่นมาก็รุ่น ม, มอมหมองไปเรื่อยๆแล้วเมื่อความมอมหมองมีมากขึ้นสําหรับผู้เกี่ยวข้องกับศาสนา และมีมากขึ้นเพียงไรพอทำให้ศาสนากลายเป็นที่จ้องมองดีไม่ดีอาจถือเป็นค่าสุดแต่คนที่ไม่ชอบศาสนานั้นนั่นอีกด้วยอย่างนี้มีมาเรื่อยๆจกระทั่งถึงทุกวั น, นโดยที่ศาสนาต่างๆคนนี่ชอบศาสนานี้และรังเกียจศาสนานั้นชอบศาสนานั้นรังเกียจศาสนานอันนี้เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่เป็นความประสงค์ของผู้สอนและไมันชเป็นความมุ่งหมายของศาสนาธรรมที่สอนโลกให้มีความร่มเย็นให้มีความรามากีดลงในสุขในผลในความมีความเู่ด้วยกันมันเป็นการขัดแย้งกันทางการและขัดกับความมุ่งหมายของศาสนาธรรมที่สอนโลกให้มีความร่มเย็นเป็นส สอนให้มีความแน่นหนามันคงมีทางความรู้ความเห็นที่คมคืนกับด้วยเงียด้วยผลด้วยอาจ ด, ด้วยธรรมมันจะสอนสอนให้แต่แยกสามมาคีขึ้นกันแล้วกันความมุ่งหมายอันนั่งเดิมข้องศาสนาเป็นใหม่อย่างนั้นแต่เพราะใจมีโลกอยู่ภายในโลกของใจทะเนียกว่าไม่ได้หมายถึงโรคนะโลก ของสัตว์ของบุคคลมีอันหนึ่งแสงอยู่ภายในอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่แสงอยู่ภายในจึงมักมีอำนาจทำให้เต็นไปทงอำานาจอันนี้เสมอด้วยเหตุ น, นั้นเรื่องศาสนาจึง เป็นคู่กับที่ชอในศาสนานั้นๆมีเป็นความเห็นผิดของผู้นักศือษาศาสนาทั้งหลายึงเล็กกรเดียงให้ท่านผู้หวังอักลลองทำหวังเหตุหังผลจากศาสนาทั้งหลายได้ยึดเป็นข้อปฏิบัติต่อไปจะตรงกับความมุ่งหมายแห่งธรรมและศาสนาทุกนั้นๆที่สอนพวกเราทั้งหลายให้ดีศาสนานั้นสอนดีด้วยการทุกศาสนาแต่ความเลือดร้อนตามสูงความสามารถนั้น ก็เช่นเดียวกับครูกับประกอบการ์ที่สอนนักศึกษาหรือนักเรียนทั้งหลายนั่นแหละบางท่านก็มีความรู้ความสามารถฉลาดทุกด้านทุกทางเลยแม้วิชาความรู้นะอุบายวิธีการสอนบางท่านก็ม่นฉลาดแต่เจียจานั้นดีด้วยกันเราสาเร็จวิชา น, น, น, นั้นมาจนกาทั่งถึงทุกวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นวิชาสี่ข้าง เราทพิยังไม่ได้สําเร็จจากครูจาอาจารย์คนเดียวกันเก็บจากครูนั่นเก็บจากอาจารย์มาเรื่อยเรื่อยเรายังนับถือว่าท่านเป็นครูเป็นาจารยนึงน่งมือประการรกคุณแก่เราในเรื่องของศาสตราแต่ละองค์ละองค์ก็เหมือนกันจุดที่สําคัญก็คือมีความมุ่งหมายสอนคนให้เป็นคนดีตามความสามารถของตนนั่นแหละ ผู้ศาสนาของเรานี่ก็สอนเต็มภูมิขององค์ศาสนาูถึงจุดหมายปลายทางคืออรหันต์ระบุคคลเป็นวิสุทธิบุคคลก็สอนโลกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวิสุทธิที่พิายถึงพระนิพพานซึ่งศาสนาอือ่นไม่ปรากฏว่าเป็นผู้สามารถจะสอนได้ถึงขนนัาดก็เพราะท่านเนับนั้นเป็นผู้ไม่สามารถเช่นเดียวกับเราที่เป็นครู นี่เป็นอาจารย์ของนั ก, นกเรียนนักศึกษาทั้งหลายเรามีภูมิในแค่ไหนเราก็สอนเต็มภูมิของเราแค่นะั้นให้เลยจากนั้นก็เป็นตณัณหาเรียกเป็นอาถารพ์นะสําหรับเราผู้ไม่มีความสามารถจะสอนได้อย่างนั้นในรักของศาสนาก็เป็นเป็นนั่นเหมือนกันเราจะสามารถประพฤติธปฏิบัติในศาสนธรรม ได้มากนอ้อยอย่างไรนั้นก็ยังต้องขึ้นอยู่กับเราผู้ปฏิบัติตามอีกเช่นเดียวกันกับาศาสดาองค์นั้นๆที่มีภูมิความสามารถมาสั่งสอนพวกเรารวมความแล้วาศาสนาเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดใสสะอาดสำหรับสักพบเหนึ่งที่ ก็ตกทั้งหลายใหกลายเป็นของสาส์นให้ตอบตรงนี้ให้ท่านทั้งใจอธิบายอันนี้บายเต็มแค่นี้ก่อนถาาท่านผู้ใดมีข้อข้องใจจะยกเอาข้อเหล่านี้ที่แสดงมานี้เต็นบทแห่งธรรมสนานาขึ้นในวาระต่อไปก็ยินดีเสมอที่จะนียแจงให้ท่านทั้งหลายได้ทราบตามความสามารถของตนที่จะอธิบายให้สำนัก ต่อไปท่านม่อยากใ